ไม่ใช่ว่าสัตเหล่านั้นแล้วคนที่พูดอย่างนี้อาจจะมาพูดเลื่องนิ้พวกเราก็ต้องเข้าใจคนพูดอีวตาทิพย์ธรรมตาทิพย์ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่มองลูกไปเห็นตับไใสตปอดคนนั้นคนนี้อันนั้นดับคิดขึ้นมาเองตาปกติคนคิดของผู้ทุกข์ทนมารจะคิดอย่างนั้นธรรมตาทิพย์เนี่ยเราต้องหมายถึงการมองเห็นสภาพมปมเป็นอยู่ของคนและสัต รู้เที่กว่าเช่เดียวกันเรื่องอิที่ปฏิหารทำสมาธิทำวิปัสนาอันนั้นเป็นการเข้าใจของปุถุชนมันนั้นไม่ได้เข้าใจแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อเขาจ้องการไปะยกเขาจ้องขันต่ตาเขาจังปเยกเมื่อยกขึ้นมาแล้าเขาต่อาคนันกย่องแล้วก็เหมือนกันใช้หวังอะไรต่างๆเขามายกย่องเราเยะที่ที่เราเขายกแล้วเแวไป แต่เราต้องอยู่สภาพเดิมของอเราคนมันมนยนายกยองเรามันปีนเพียงส ม, มุติเขาจะเอาอะไรจากเราบ้างที่เขาต้องการอยากได้อะไรจากเราเขาจะมายกยองเราไม่นอย่างยพระพุทธเจ้าบอกจนสภาพเดิมจิตใจของคนมันมั่นคงทารวันไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันยิน่งอยู่สภาพนี้มันมีสภาพนี้ในคนทุกคน อาตมาจิต้ารับหลอกได้ว่าถ้าหากเรายนะังไม่รู้เย่างนี้นะจวนจับรถลมหายใจทุกคนจะไม่มเรื่นะองนี้จ้าประจุทับเพ็้ยนทางเรื่นี้นะไม่เจ้าทับไปเลยรับหลอกได้ทุกคนจะประสบจับสิ่งที่เราไม่ต้องกานนันหละ แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันมีประโยชน์จักเราอกับเราแต่เราไม่รู้สิ่งนั้นแหละมีค่าคุณมากที่สุดแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีค่ามีคุณมากอาตมาก็ไม่รู้เพียงทำคนรู้สึกตัวทำคนรู้สึกใจเวลาได้จนถางถ้าเรารู้สึกการเคลื่อนไหวรู้สึกจิใจยกชุดเขางะรอจักจูปัญญา หลอกพโดาบุตคนเขได้ถ้าโสดาบังบุคนเลือกตำาเขงพูดแบบมือมือส ก, กัวหัวเมียตาตาพีนีเพราะจัวด้วยเนี่ยมันจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเมื่อเราจะบูชหายใจนี้และทุกคนีค น, น, นึ่งใ น, นคนอาจจะมาผูดให้ผูดให้มจินใจว่าไม่เคยได้มาทางนี้มาเขาต้องพูดคนกินเส้ ดังนั้นเราศึกษาเอาไว้ถ้ามันมีไว้ในเราเมื่อเราศึกษามีไว้ในเราแล้วเราจะเอามันใช้เวลาเราพอได้เมื่อเราไม่มียังไม่เป็นจะเอามันใช้ไม่ได้ะ จ, จะจำเป็นต้องเป็นจัต้องเปล น, ปน จ, จะหมดลมหายใจในหนอที่สุดยกเลิก ไ, ได้ถ้าเป็คนมีกิเลสจักเกิดทีคนใด ม, มีกิเลส้เ้าทัตอกิเลสม่ายัา ก็ไ่รนเนมทุกกทุกเื้อุกเยเมื่อจอจุดนั้นแลวกับรวไม่ต้องเกิดอะไรแล้วทา่านองาวทุก่นี้ศึกษา้วจักทุกศึกษา้จักเขียนใ้ศึกษาวีดับทุกนสอนแตเราศึกษาใหญศึกษามรู้ ได้ทานได้เน ม, น, มนมากมากศึกษาหงรูอิเอาคิดเอา่เอาเ้เอาถาดาักาันไปจนเราไม่ได้ศึกษาหาของจริงศึกษาหาของจริงศึกษาเรื่องซิซไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้อยู่ที่นี่จำนวนหลายคนมีคนเอาเงินมาให้าอากมินน้แต่นนะ้ำจะเอาไปข้าวเอาไหมไม่เอาเลยเจอเราควรศึกษาเรื่องิจริงที่มานอั วิธีทำมันหนะักแต่เมาต้องเม่ต้องถามใครอันเนี้อาตจมาทา ม, มาแล้วเลยพุทโธก็า ม, ยายา ม, มาเขาเทมาสมาอัลลังกก็ทา ม, มานักมีสสัก็ัำ ม, มาพรายุก็ทำมาอาณาตารย์สติจะทำมามันไม่จกิดขมุสุสติแต่คนอื่นอาจจะรู้แต่คนที่มันี้อยู่แต่ไม่รู้ก็เสมอเมื่อมาทำก็รู้สึกดีเลย เครื่อนไหวค ร, รู้จิตใจมันคิดครู้พิษตาครู้หายใจครู้เลื่อนกล้เื่อนหัวคลุ้เคื่อนรู้อันนี้มันมากขึ้นมากขึ้นมากจนไ ม, น ม, นมรู้จะหนีไปทีไปรู้เคื่อนรู้มันได้สกุลแล้วมัอนเววนนนนรียกวิญญาณตัญยารู้ศสนาก็ไปรู้แจ้งจรู้จิตมั่นเองรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งสภาพภาวะของจิตใจมันเลก ม, มันคิด รู้แจ้งรู้เจองจริงมีพแค่นี้สิ่งที่าจินึเราไม่จะมาพูดกันนะมีมิติการเคื่อนไหวมยมีมิติเทนสีแดงผีธดาอันนั้นจิอยู่แต่สิ่งที่เราเห็นน่มันเป็นของไม่จริงคว่าจริงอยู่นี่ยมาจริงมันจริงเพราะว่ากิเลชนมาหลอกเราอย่างที่พูดแล้วที่จิตใจของคนเนี่ย ลอกแยกรอกกลับได้ไวจุดมีน้ำไขในตนเราท่านควรบังคับกวนให้จิตหมุนมาไปนทางข้านดีหมุนไปทางขั้นกีเข้ากี่กี้เลือยเมื่อไงทที่มีมาจากนีจากมาให้สุดทนที่มีว่าสุดคนรู้สึกเราเองเราพอไม่รู้จัวเราไปเห็นมีมิตอันนั้นก็ลืมจัวเราหรือเราออกมาที่นี่ก็แต่ลคนมจัวลืมจิตลืกใจขงเราทเอง เมื well, God, goodness, God, goodness, ่อเรารู้สึกเจวรู้สึกใจอยู่อย่างนี้นิดเดียวไม่หลอกหอเราไม่ได้เมื่อทำที่นี่ยิ่งทำย่งแล้วมันมจะหนีไปที่เมื่อเรารู้สิกรอะไรมันลุกขวัไปได้แล้ว่อใ็นแจ้งรู้จริงๆใช้แจ้งพอเห็นสภาพวิาะจิตใจมันล้กขึ้นึน่ช้จิตม่จิตวมภาวะเดียว่วมกับภาวะอะไรึ่งนั้นน่มันไม่ถึงสงจิต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 คะลาะกันดีไหมไม่ดีคัดมลือกท่จะไปทะเลาะทำไมเมื่อกระมังรู้ล้ลพูดได้อย่างที่บ้านอาตม า, จมาใจเมือาลมณไม่ดีหรือเปล่อารมณ์ขุ่นเมืแบบว่าทางทางพระพาหบ้านอั้มาในว่าใจหายใจโกรลูกหลานมาก็ดีใครมาก็าดีจะมาเข้ากูกูใจหายกูใจไม่ดีโทษได้เนี่ยถ้าโทษมันใจแค่ใจเลี้ยวทิ้งกระโหลกแผลงใ เละต้องการว่าคนคนมดีเม่อโอการไม่ต้อการจะไปพูดทำไมกะที่พสะองค์กระเราะให้ใจดีขึ้นมาถ้าเราไม่รู้พูดได้ไม่รู้พูดได้ไม่รู้พูดน้อยคำแสนคำหมื่นคำเท่าะเราหดต่ำสู้การกระทำคำเดียวไม่ได้ถ้าเราจระทำคำเดียวมันเป็นของจิตที่พูดเหนฟังนี้อันนี้เรียกว่ากับมักฐานกัมคือการกระทาฐานก็หมายถึงที่ตั้งของจิต กับมาทำนี่ปันาคือรู้ชนิดเนี่ยพิกระเทวดาปัญญาว่เศษปัจจน า, น า, นากระเทวดารู้แจ้งรูจริงตางเก่า่วงผ่าวดึงอะไรจะมาหลอก ล, ลวงเราไม่ได้อันนี้ค่อรู้ทำเห็นทำเข้าใจทำธรรมะจริงคือการทำรการผู้สันคิดมีู่นิดเดียเครื่องหมายเราอู่กับการเครื่อนไหวถ้าเรานีาการเคลื่องไหมเราผ่านั่งนมิมิตเป็นที่นิมิตไม่จิตเด็กิ้น อาตมาเคยไปนั่งทำกรรมฐานเห็นผีนอนดยเห็นผีลุกขึ้นชอบทีลุกขึ้นโดยหน้าทุกซอกไปเนี่ยมันก็หายแต่รู้สึกตัวก็หายผีก็หายไปเห็จริงเจอจริงมันไม่ไม่จริงมันมันรอเราเนี่บัญญัติถ้ามันเห็นมามันไม่จะเห็นไม่จะเห็นทาไมมันไป็นขอไม่จริงอันที่เรากรรมมันเียกจริงไม่จริงการที่คุะได้เดีนี้เนี่ยจริงไั่เีกได้เดียวนี้เนี่ย่ ชืต่ตายเยนี้มันก็ได้เดียนี้ของจิตเอียงใตอเอียวัได้เดียนี้พุกเจ้าหนดรู้จมดไทจําละมันลกเองของคิดตัวนั้นกต้องจรียนทำบ่อยๆจะเรยต้องทาบ่อยนะนี่โลกถับแจ้งเาต้องรู้คนคิดรู้เข้ารู้เข้ารู้าหนดรู้แจ้งือกจักภาวะเดือปันนั้นทันอย่างนี่ค่คพูดนน้อยนี่แมันมากแต่คนต้องปเรียนแต แปลอย่างนั้นแปลอย่างเกภาษานาอาจจะมาพูดดีจงดึงสำเวียส่วนบางคนสัอาจจะไม่รู้แางทีเราแปลภาษาไทยให้เป็นจนภาษาอีกดีอันนี้เป็นของนงนน่ายที่จะมาพูดนี่ยนะครให้มันเห็นสภาพวิภาวะของขอจริงจริงควรจิงเนี่ยโลงหลวงเนี่ยหลงพระเนี่ยโมหะโสต์สามอย่างนี้ เราไม่ต้องตามทั้งหมดเลยแต่เราจะทำยังไงมันก็มาทำคุรู้สึกทีหน่คุรู้สึกแล้วมองหาไปที่ไหนเอาเราจะทํารู้ทำทำคนหงขึนานเอ้าทาตรงนันมันจะหมันไม่มีนทัขึ้นไม่ได้ยังที่เรา้องดูที่รู้สัอาจมาหุ่นมันไม่คเอาสมมตรนาดูาสิาเขึ้นมาไม่ครึนไนดูอาเราพอาอส่ที่ ไม่หเราจะเอารึเนี่ยเอาเอาซะมันเอาไม่ได้เนีเพราะว่ามันไม่มีต้นเีินผลายน้กตอนนี้คุณผู้สืบมีไหมมีกรรมมีรู้เาสื่อว่ามี่ใช่ใช่ปัญญามีไม่มีอันที่เราทำได้ซื่อนั้นมันถัดไม่ได้มันไม่มีดังนั้นพระพุทเจ้าท่านสอของที่มีจริงให้คนมีปัญญาไปให้กับสีวิทย์ที่จริงจริงนั่นเป็นหน้าที่เราทำได้อย่างที่อาจะมาพู้ที่ทำได้ จะไม่เห็นกับที่อย่างที่ทำมาแล้วอย่างที่ทามาแล้วอาจมาแมมาพูดอย่างที่พูดภาวนาหาใจเข้าพูดหใจออกโอาจารมาเขาเยทมาดีอ ก, ก็ดีเรียกขอบคุณเจ้ามาไว้ที่หัวใจของเราก็ดีแต่อบุณเจ้าจะเามาไว้หัวใจเราได้ ไ, ไหมเมือเจ้าแล้วเขามีเต็มแล้วนี่เรามีสตาแล้วนี่เอามาใส่ตาได้ไหมไม่ได้หัวหัเอามาใส่ีสหมไม่ได้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 เร็ไปศึกษาในตวัสษาไปจำในตวกัสษาแล้วก็ไปสอนกันเรืร่องตวรัสษาไม่ไสอนสองจิตอาตมาพูดให้ก้าพูดได้อลองดูนะวันนี้ถ้าใครมีสามีภรรย า, า, า, า, าไปที่บ้านนะเกลี้กล่อมตัวลรดูใจเราพอดีคนนั้นโกงพวกนี้เราจะต้องดูคนนั้นเดตตาดูคนนั้นใจจงดูชื่ใจเรา จะตีคุนใจเลยไม่จะโกรธขึ้นโกรธขึ้นไม่ได้นะก็คิดถึงอ๋อเ ข, ขาทุกแต่เขาไม่รู้แต่ว่าเขาทุกเขาจึอยู่ด้วยทุกกินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุกเขาต้องดูด้วยทุกท ก, กินด้วยทุกนั่งนอนด้วยทุกจะว่าไรเขรียกว่าสตาิรักษาหน้าสงสารหน้าให้อภัยแก่เขาเขอไม่รู้เนี่ยทนสออย่างนั้แต่เราพอดีร้านมีภรรยาเขาโกรธขึ้นมาแล้วก็โกรธตอบเขาเนี่ยไเปอย่าง เราทำไมรู้จักทุกท่านสอนทางเอยจะไปสอนใครไปเนีเน่อย่า ก, กลัวอ้าวโยจะลงโกอยู่แล้วนี่มันยันนงมีปัญหาอะไรนะที่พูณให้ฟังทั้งทั้งทุกท่านติดหาเราเรียน ม, มากๆอาจจะมาพเขียนหนูไม่ไเต็มเพูให้ฟังแล้วอาา่านมู่้ไมได้จะทำไมรู้จักนี้ได้ก็มัเ น, น, นเป็นเราก็ทาอะไรมาต้องหมดทางกิจกรรมต้องหมด กำมือเย็นมืรู้ได้ทีแรกเราไม่รู้เลยเราก็รู้ธรรมนากำมือนี่รู้แต่เร้กำมือนิ่งนเนี่ยมันก็ลู้จากอันนี้มันเป็นรู้รู้กำน้ำเนี่ยกันแม้แต่พระพุทธเจ้าที่มีสอนให้รู้จับลูกนามลูกทาน้ำทำลูกโลกนามโลกคุกขังอนิจจังนิพพาสมมติเนและก็รู้จับศาสนาพทัศน์าสนาให้รู้จับบาปรู้จับดุจอันนี้เป็นขั้นต้นพื้นฐานตองู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 ส ani, an group, Ahhh, ังขารจะตูนนั่นแหเมื่อเราถอมาอยู่ทานี้มันก็เลยไมปูนเลยไมด้คลสังขารเรอยู่เคลียบกวาดสังขารเขาาอย่างนั้นวิงานเรารู้ถ้าเราัมีตาจะรู้ไมรู้ก็ตมีตาที่หนึ่งรู้ไม่มีหูจะรู้ไหมหอก็ไม่รู้ถึงคนมีตาเจตาหมวมันจะรู้ไหมตาหมนกิญญาสิบหนึงมคนมีหูจะมีหูออกแตคนมดปญญาสิ่งที่เรารู้ไม่ได้เวลาหมดิ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 บางทีมัมจะเก็บเก็บ้มันจะดูะคนมาเขามาดูตรงนี้เอพอจัเพว่าดูใจนะถ้ะดูใจเรามันจะคิดอย่างไรตินใจมีวิธีง่ายๆฉามบ่อยๆควท น, นานจะเกิดขึ้นมีสติเขียนหนังสือทีแรกเขียนคอไกยเนี่ ย, น, น, ย, าย น, นานรันนี่ยเป็นสามสี่าวันจจะเปล่นันนพอจะเขี ย, ขอยนอไกย์ใ้สวยนามจะต้องเลียเตืบางทีเราทับทอ่างนี้ทำบ่อยๆเนี่ยทีแรกมันจะรั่น้อย